เรือนจำต่างๆทั่วประเทศนะก็คือว่าแม้จะสะอาดสะอ้านนะแต่ว่าก็แออัดนะมีคนอยู่ก็ประมาณ1ัน0ห้องหนึ่งก็ไม่ได้ใหญ่นักนะแต่ว่ า, าแทบจะไม่มีที่ว่างเลยสำหรับการนอน คือต้องนอนกันเบียดเบียดากุตติพรา้านี้เรียกว่าเป็นสวรรค์เลยนะเพราะว่าอยู่กันรูปเดียวนะแต่ว่ามีที่ทางนะก็เรียกว่ามีกลายเป็นโอโทงไปเลยก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ต้องขังหลายคน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักโทษเด็กขาดไหมครับว่าตัดสินเรียบร้อยแล้วนะคนหนึ่งก็บอกว่าเขาถูกจับเพราะว่าถูกข้อหาให้ที่พักพิงนะแก่ผู้ค้ายยาก็ก็บอกว่าเนี่ยจริงๆ ผู้ค้ายาคนนั้นก็หนีตำรวจมาแล้วก็มาหลบที่บ้านเขาแค่ยี่สบนาทีแล้วก็ถูกตำรวจจับได้เขาเองเนี่ยโดนตัดสินจำคุกห้าปีส่วนผู้ค้ายานี่โดนสี่ปีที่โดนน้อยกว่าเพราะว่าสารภาพนะแต่เขา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 ว่าสงรู้ร่วมคิดด้วยก็โดนไปเท่าไหร่ห้าปีเหมือนกันทั้งที่หาเงินมาคืนได้ครบแต่ลดยนต์ผ่อนโทษจากแปดหรือห้าอันนี้ก็เป็นปากคำของคนที่ อ, อยู่ในคุกซึ่ง อย่างที่บอแลนะ้วก็แตกต่างจากสำนวนที่ตํารวจก็ได้ทําเรียกว่าคนละเรื่องกันเลยความจริงเป็นอย่างไรนี่ก็ก็สุดท้าแต่พูดเล่านะแต่สิ่งที่นักโทษนี่เขาพูดมาเนี่ยนะมันก็คล้ายๆกับเรื่องที่เราได้ยินนะมาเป็นเวลาหลายปีก็คือว่าในคุกเนี่ยมันก็มี คนบริสุทธิ์ไม่รู้อีโนอีเน่ N e เนี่ยถูกจับกลุ่มคุมขังนี่ไม่ใช่น้อยเลยเพราะเรื่องคดียาเสพติดมีการยัดจับแล้วก็มีการยัดยาเป็นหลักฐานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้ยินกันนะอยู่บ่อยๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาหลายปี ลองนึกนะถ้าเกิดว่าเราต้องมาเจอแบบนี้บ้างไม่รู้อหน่ อ, อินเน่อะไรแต่ก็โดนโดนจับถูกยัดข้อหาแล้วก็ทุกท้ายก็ถูกสารจำคุกก็คงจะมีความทุกข์ใจไม่น้อยแต่แต่ว่าไปนะ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 ไม่แต่ต้องหรือพยายามไม่แต่ต้องอาหารที่มีสารพิษหรือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพกินอาหารชีวจิตแมคโรเบลติกออกกำลังกายเป็นประจำแต่ก็ยังเป็นมะเร็งขณะที่คนซึ่งสูบบุหรี่กินเหล้านะก็อายุยืนถึง7 0็ดปดิ อุบัติเหตุเหมือนกันนะนี่มันไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตคนเราก็จะมีเหตุร้ายทำนองนี้อยู่ไม่มากก็ น, น้อยในชัวช่วชวิตคนเราเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะจะทําอย่างไรถ้าว่าเราตีโพยตีพาย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 ไอ้ความคิดว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยมันมารบกวนจิตใจเพราะถ้าคิดแบบนี้มันจะทุกข์มากคนเราทุกข์เพราะคำว่าไม่น่าจะฉันไม่น่าเจอแบบนี้ฉันไม่น่าทำแบบนี้หรือเขาไม่น่าทำกับฉันอย่างนี้ไอ้ความคิดแบบนี้มันทำร้ายจิตใจหรือว่าสร้างความทุกข์ให้กับเรามากทีเดียว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 มาเชอที่เห็นได้ใช้คือคุกที่ก่อด้วยอิฐหรือว่าสร้างด้วยปูนอันนี้เนี่ยมันขังกายเราทําให้ไปไหนไม่ได้หรือว่าหมดอิสรภาพแต่ว่าคุกที่มันน่ากลัวกว่า น, นั้นมันเป็นคุกที่มองไม่เห็นมันขังใจเรา คนหลายคนแม้ว่าจะถูกคุกเนี่ยคุมขังร่างกายไว้นะแต่ว่าจิตใจก็เป็นอิสระเขาก็สามารถจะอยู่ในคุกอย่างมีความสุขได้เราคงได้ฟังเรื่องราวของมหาตรมคานทีหรืออย่างมาติลุกคิงพู้นิติคุกนี่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 เจ้นาทิตตอนนั้นก็เกือบเจ็ดสิบแล้วหรือเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์นําพาประเทศเนี่ยหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองระหว่างคนผิวสีได้ออฟริกาตายตเมื่อยี่สบปีสาสิบปีที่แล้วนี่คนก็กลัวมากว่าจะเกิดสงครามกลางเมืองเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างผิวสีมีมากนแต่ว่าแมนเด ล, ลาเนี่ก็หลีกเลี่ยงได้ เขาก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากช่วงเวลาที่อยู่ในคุกนะนี่เรียกว่าเป็นตัวอย่างคนที่คุกนี่ขังได้แต่กายนะแต่ว่าใจก็เป็นอิสระบางคนก็ทำผิดนะมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นมือปืนรับจ้างก็ฆ่ามาหลายคนจนกระทั่ง ลายสุดท้ายนี่ไปค่าผู้หญิงถูกจ้างมาให้ค่าผู้หญิงค่าเสร็จก็หนีให้ตอนที่หนีนี่ก็ทุกข์ทรมานนะไอ้ทุกกายไม่เท่าไหร่ทุกใจด้วยตอนหลังถูกจับตอนหลังไม่ถูกจับได้ตอนหลังมอบตัวเพราะรู้สึกผิด มันได้คิดนะตอนที่ฆ่าผู้หญิงเนี่ยเขาบอกตอนที่หนีนะหนีตำรวจเนี่ยสองวันเนี่ยแม้ว่าตัวเป็นสละนะแต่ว่าใจนี่มันทุกข์มากก็เลยมอบตัวมอบตัวถูกตัดสินนะจาคุกตลอดชีวิตแล้วแล้วก็ตอหลังก็ลดโทษ เขาบเขาอยู่ในคุกนี่สบายใจเขาพูดเล่นสมองวันนี้ตอ น, นี้หนีมาเนี่ยสองวันกินข้าวมื้อเดียวจะอยู่ในคุกนี่ทุกวันเนี่ยมีข้าวกินสามมือ้อคือเขาพูดด้วยความสบายใจสบายใจที่ว่าได้ชดใช้ความผิดก็รู้ว่าผิดนะแล้วก็ยอมมอบตัวแล้วก็รับโทษทันด้วยความเต็มใจ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 เดกคุกเขาก็มีความสุขนะพอได้ปั้นพาจิตใจเขาก็สบายใจก็เป็นบุญเป็นกุศลก็เลมีความสุขนะแม้ว่าตัวเนี่ยจะติดคุกอันนี้ดีกว่าคนที่ข้างนอกเนี่ยนะเป็นสระไม่มีคุกขังกายนะไปไหนมาไหนก็ได้แต่ว่าใจเนี่ยมันถูกขัง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 ถูกโกงเงินไปสามหมื่นสิบปีแล้วก็ยังไม่หายแค้นไม่หายโกรธเวลามาปรึกษาก็จะพูดแต่เรื่องนี้แหละทั้งทั้งที่กินอิ่มนอนอุ่นทั้งท้งที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรทั้งท้งที่เงินที่หามาได้หลังจากนั้นก็มากกว่าสามหมื่นไม่รู้กี่เท่าแต่เขาก็ยัง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 บางเขก็จมอยู่ในความเศร้านะอาจจะเพราะในอดีตถูกพ่อแม่กระทําไม่ให้ความเป็นธรรมหรือว่าเป็นเพราะว่ า, าชีวิตตกรกรรมลำบากตอนนี้นชีวิตก็ดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังจมอยู่กับความเศร้าใจที่มันจมอยู่กับอดีตเนี่ยนะมันก็เหมือนกับใจที่ติดคุกนะ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 ไปหาหมอนะหมอให้ยาแต่ไม่ยอมกินแล้วก็ร่างกายก็ทรุดลงไปเรื่อยๆหมอก็ดา่าทำไมไม่กินยาแต่พยาบาลนี่เขาผิดสังเกตก็เลยไปพูดคุยซักถามก็เลยรู้ว่าออเจ้าตัวนี้ี่รู้สึกผิดที่ทำให้ที่ปล่อให้แม่ตายนะเพราะเบาหวานก็เลยคิดว่าถ้าตัวเองตายเพราะเบาหวานมังมันก็จะเป็นการชดเชยความผิด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 มีความโลภในวัตถุเนี่ยมันก็มันก็นกติดคุกกันนะมันคิดแต่เรื่องของการหาเงินหาทองแล้วก็เวลาเงินทองล่อยหลอหรือว่าสูญเสียไปก็ทุกข์เสียดายลุ่มใจตันหาอุ ป, ปาทานเนี่ยเป็นเป็นคุกของใจที่มัน น่ากลัวมากซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีกับทุกคนนะ น, นะคนเราถ้าตามเราทงปล่อยให้ตัหาอุปาทานนี่มันแน่นหนานเนี่ยก็มันก็ติดคุกที่แน่นหน า, นานไม่สามารถที่จะมีความสุขกับอะไรได้ง่ายๆชวิตมันรุ่มร้อนนะอุปาทานนี่คือความยึดติดนะ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 เราเป็นของมันทันทีเลยแม้แต่ความคิดอุดมการนีมันก็ขังใจเราได้นะคือทำให้ความคิดคับแคบใครที่คิดตายจากเราก็เห็นเป็นศัตรูหรือเกลียดชังเขาไม่เปิดรับนะสิ่งที่จะทำให้เรานะมีปัญญามากขึ้นอันนี้คือคูกของใจที่เกิดกับ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 พาะมาทำให้เราประมาททาให้เราตายใจดันั้นการที่เราตระหนักนะเสียก่อนามันมีคุกอย่างนี้อยูนะ่คุกที่ขังใจเราเอาไว้ที่ทําให้ไม่เป็นอิสระบางทีมันเป็นเป็นเหมือนกับคุกที่ทาด้วยกระจกนะบางทีนกเนี่ยมันหลงเข้าไปในสาราสาราน้าเนี่ย มันก็พยายามออกนะมันเห็นหน้าต่างมันก็พยายามออกไปทางนั้นแหละแต่มันก็ชนหน้าต่างแล้วมันก็พยายามบินแต่ไปทางนั้นน่ะทางที่หน้าต่างปิดมันเห็นแสงสว่างมาทางนั้นก็นึกว่ามันเป็นที่โล่งก็บินก็ไปชนหน้าต่างชนหน้าต่างจริงประตูเปิดนะแต่มันไม่ไปมันจะไปแต่ทางหน้าต่างซึ่งปิดนะ นี่คงเหมือนคนเรานะถูกขังอยู่ในคุกที่มองไม่เห็นก็พยายามฝ่าไปฝ่าไม่ได้คนที่ต้องการให้ใจมีอิสระแต่ว่าถ้ายังปล่อยให้ใจมันหลงจมอยู่กับกิเลสตัณหาอุปาทานนะความยึดติดถือมั่นมันก็ไม่เป็นอิสระสักทีแล้วก็บ่นว่าไม่มีความสุขไม่มีความสุขเราไปคิดว่าที่ไม่มีความสุขเพราะยังมีเงินน้อยไป ก็หาเงินหาเงินหาเงินหาเงินได้เท่าไหร่ก็ยังไม่มีความสุขก็ยังคิดว่ายังสุขน้อยไปก็เลยดิ้นลนหายอันนี้ก็ไม่แตกอย่างนกที่มันวิ่งบินชนหน้าต่างมนคิดว่านี่แหละคือความสุขเนี่ยคืออิสระแต่ชนเท่าไหร่ชนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอิสระทักทีเพราะมันไม่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 ขนาดมีเงินพันล้านหรือหมื่นล้านแล้วยังคิดว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้จะมีความสุขคือไม่ไอความคิดแบบนี้มันขังตัวเองทำให้ไม่สามารถที่จะมองหาทางออกทางอื่นได้เงกุของใจต้องระวังนะเราก็ต้องมันสํารวจตรวจสอบใจของเรานวะ่ามันมีความหลงความยึดอะไรไหม ไอสิ่งที่มีเสนะ่ห์มันชวนให้เราหลงไหลเนี่ยรอยทั้งร้อยเลยนะมันกลายเป็นคุกที่ขังใจเราไว้พราะเราพอไปยึดมันมันก็ยึดเราทันทีเลยก็ขาดอิสระที่จริงนอกจากคุกของกายและคุกของใจนอกจากคุกที่ทำด้วยอิฐและปูน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 ดอุปติเหตุเส้นประสาท ต, ตั้งแต่คอลงมามันขาดนะร่างกายก็เป็นคุกทันทีเลยไปไหนไม่ได้หรือที่หนักกว่านั้นก็เรียกโรคล็อลกอินซินโดรมนะคือโรคที่ประสาทในร่างกายมันเสียหมดเลยอาจจะเกิดจากการกระทุกกระแทแกจากอุปติเหตุรถยน ไม่สามารถจะขยับเนื้อขยับตัวได้ไม่สามารถมากแต่จะพูดได้อาจจะกืนกินอาหารได้นะหลับตาลืมตาได้แต่ทำอย่างอื่นไม่ได้หมดกัดก็ปัดไม่ได้ยุงกัดก็ต้องทนเอาจะบอกสุขบอกทุกข์จะเล่าอะไรใครฟังก็เล่าไม่ได้อันนี้น่ากลัวมากมีคนเป็นโรคนี้เยอะเนะี่ยแต่บางคนนี่ ก็พบว่าร่างกายแม้จะถูกขังด้วยด้วยตัวเองนะแต่ใจก็เป็นอิสระได้นะมีนักเขียนคนหนึ่งนะเป็นชาวฝรั่งเศสเนี่ยเจอโรคนี้เข้าไปที่ยังแค่4ี่สิบกว่าแต่เขาก็สามารถเขียนหนังสือได้ด้วยการกระพริบตานะให้พี่เลี้ยงเนี่ยจดทีละทีละอักษรทีละอักษร แล้วก็ที่เขาเขียนนี่ก็เป็นหนังสือขายดีมันไม่มีซุ่มเสียงของความทุกข์การกลดด่าชตากรรมนะมีแต่อารมณ์ขันนะอะก็นับว่าเก่งทีเดียวทั้งที่ไม่ใช่นักปฏิบัติทำแต่เขาก็รักษาใจไว้ได้อาบางทีเราก็ต้องเผื่อนะไว้นะว่าอาจจะต้องเจอแบบนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นโรคล Lock ็อกอินซินโดรมนะแต่พอเจอโรคอมาาัมพาตก็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 เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่บบนไม่โวยวายไม่ตีโพยตีภายยอมรับมันการไม่ยอมรับการปฏิเสธการผักสายในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นคุกแบบหนึ่งนะมีผู้ป่วยมะเร็งซึ่งตอนนี้ก็ตายไปแล้วเธอก็อายุสาสิบเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดที่เกิด ข, ขึ้นกับคนแก่ส่วนใหญ่ตอนที่เป็นนี่เธอทุกข์มากเลยอายุเพิ่งสามสิบชีวิตก็กลักรงรุ่งโรจน์ เนะวียงวีนใส่หมอ้อใส่คนรอบข้างแต่ต่หลังใจก็สงบเมื่อหันมาปฏิบัติธรรมหันมาดูจิตดูใจของตัวก็พบว่าไอ้มะเร็งเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับใจนะที่มันไม่ยอมรับความจรงิงอย่างที่เธอบอกว่าเขียนว่าเนี่ยความจริงบางครั้งมันโหดร้ายนะแต่สิ่งที่โหดร้ายกว่าคือการไม่ยอมรับความจรงิง นะการไม่ยอมรับความจริงต่างหางที่โหดร้ายกว่าเพราะ ม, มันเป็นคุกที่ขังใจเราไว้นะไม่ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวที่ขังใจเราได้เหมือนกัน น, ะนอกจากใจที่มันไปติดอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตหรือใจที่มันไปหัวพะวงพะวงหรือว่ากังวลกับอนาคตนะอดีตก็เป็นคุกขังใจได้อนาคตนะที่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 อ่าเราชานี้ก็พ่งกันตท่นี้อ่ครับ